BEC t e n r a l Entertainment, Look a c h o n b u r Thailand. o m e on, e t s c o n u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 นาทีเที่ยงคืนแต่ยังไม่รู้เธ อ, อยู่ไหนถ้ามีใครรู้จริงๆริงช่วยบอกฉันที่ได้ไหมเป็นห่วงเธอคิดถึงเธอสุดที่รัก้องฉันคื เธ อ, อยู่ไหนสุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับใคร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 จะมาไม่ไรก็ได้แต่วันที่รักฉันต้งกลับ ม, มา p e e p